ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา แ n d the heart, heart big, like a tree, s สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะนี่เป็นเวลาของรายการสันสนีสนทนาอีกแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปเราจะอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะสนทนากันทั้งเรื่องโลกและเรื่องธรรมพร้อมทั้งกับให้ท่านฟังได้ใกล้ชิดกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราเรียกว่าเป็นคำสอนจากปากของพระพุทธองค์หรือว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษฐ หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะฝากคำสอนเอาไว้แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือเรื่องพระธรรมที่ได้ตรัสรู้มาแล้วก็ส่งต้องการที่จะให้พวกเราที่เป็นมนุษย์ในโลกใบนี้ทั้งหลายแล้วนับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะคะได้มีโอกาสที่จะรับทราบแล้วประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้ล่วงพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นพระวินยัย บัญหัาดเอาไว้ให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกและจะมีบทบาทสำคัญในการสื่อทอดพระพุทธศาสนาได้ยึดถือปฏิบัติในขณะเดียวกันคราวาด์ก็พึงที่จะทราบเพื่อที่จะได้ช่วยกันเกื้อกูลพระศาสนาโดยการทำให้พระสงฆ์นั้นได้อยู่ในวินัยอย่างเป็นปกติค่ะและสำหรับในวันนี้ช่วงต้นของรายการที่ดิฉันสันสนีนาคพง์จะนำเอามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนี้เป็นการที่ ได้ไปอ่านบทความของอาจารย์วราพรสามโกเสบซึ่งท่านได้ไปเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในฐานะเป็นประธานของการสัมมนาของ t d ด i i ในหัวข้อทัศนะประชาชนต่อการเมืองและสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมดิฉันเองอ่านแล้วเกิดความรู้สึกอยากเรียนถามถ้าอาจารย์ไยบูรนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัธรรมะของพระพุทธองค์ สอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่จะเอามาปรับประยุก์เข้ากันได้อย่างไรการสำรวจความคิดเห็นคำถามน่าสนใจมากค่ะคำถามถามว่าคนส่วนใหญ่จนเพราะอะไรรวยเพราะอะไรบอกว่าคำตอบแสดงให้เห็นว่าคนไทยเชื่อว่าการรวยหรือการจนนั้นมันเป็นผลตั้งแต่เกิดมาจนเกิดมารวยคือมาจากการตกทอด แล้วก็เลยถือว่าเป็นสาเหตุของการจนการรวยในอันดับแรกความขยันกลับมาเป็นอันดับสองแล้วก็การไม่มีทุนมาเป็นอันดับสาส่วนเรื่องของช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในเมืองนะคะก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแต่ก็ยังเห็นว่าพอรับได้ อาจารย์วราพรพสรุปว่าการแตกต่างของรายได้จากการสำรวจชิ้นนี้ถือว่ายังไม่ได้เป็นเชื้อไฟที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมส่วนคำถามที่สนะคะบอกว่าการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐร้อยละส9ก็เห็นว่าควรได้เท่าเทียมกันแต่คนจนเนี่ยควรได้สิ็จเพิ่ม35หก็บอกว่าควรได้สวัสดิการพื้นฐานเ ท, าเท่าเทียมกันร้อยละยิบเค่ะบอกว่าคนจนเท่านั้นที่ควรได้ ก็สรุปว่าคนไทยเนี่ยเอื้อเฟื้อเยื่อใยต่พผู้ ด, ด้อโอกาสเป็นพิเศษส่วนคำถามถัดมาบอกว่าถ้าขึ้นภาษีเนี่ยอยากให้เอาเงินไปทำอะไรปรากฏว่าไม่ว่ารวยไม่ว่าจนนะคะตอบตรงกันหมดว่าให้เอาไปใช้เพื่อการศึกษาหรือฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอันดับแรกเป็นความเห็นที่น่าสนใจนะคะและเมื่อถามว่าปัญหาใดของประเทศที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด บางคนอาจจะบอกปัญหาการเมืองจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาต้องการให้แก้ปัญหาเศรษ ฐ, ฐกิจรองลงมาคือยาเสพติดความยากจนแล้วถึงมาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองต่อด้วยปัญหาภาคใต้ปัญหาอาจยากรรมปัญหาคอร์รัปชันเท่ากับ เขาเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญยังมีรายละเอียดอีกเยอะพอดีเวลามีจำกัดแล้วฉันคิดว่าก็เพียงพอแก่ประเด็นที่จะเอาไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนในช่วงเวลาถามโลกตอบธรรมต่อไปนี้ค่ะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึง้งซึ้งปัญญาในสรรสีสนทนา สวัสดีครับผมพิษณุนเด่นกลัดวันนี้ผมมาแนะนําทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแค่ฝากสลากลอตสิ่พิเศษชมหมายอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์ลุนลุเบ้นถึง10คันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบ้นเดือนนะครับ2เดือนสุดท้ายลุนเดือนละ3าคันรวดแถมลุนานวันที่1นึ่ร้อยล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุนรุเบ้นก่อนถึงสามสิบในสัญญปีนะโผลเลยหนึ่หนึ่งหน ตอบม้นฟังที่ครบรค่ารายการสันนีสฐานท น, านะคะเมื่อมาถึงช่วงเวลากลางๆเราก็จะมีการถามโลกตอบธรรมโดยเอาเรื่องทั่วๆไปที่น่าสนใจสำหรับโลกๆแล้วก็เอาธรรมะของพระพุทธองค์โดยเน้นว่าเป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดซึ่ง พระคุณเจ้าที่มาร่วมในรายการก็มีปฏิปทาที่จะเผยแผ่คําสอนของพระพุทธองค์ในลักษณะของพุทธวจนะจากพระโอษนี้นะคะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุล โ, โนค่ะจะมาพบท่านในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธและขณะนี้ท่านก็พร้อมอยู่ณที่นี้แล้วนะคะนมาส ก, การคะ่ะท่านค ะ, จจะเจรริพรค่ะที่จังหวัดอุดรทราบว่าวัดป่าดอนหายโศก ข, ของท่านมีปฏิบัติธรรมอีกแล้วหรอคะก็จะมีช่วงระหว่างวันที่5ถึง13อ๋อค่ะในช่วงนี้ก็จัด คราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีสอง2้าห้าสอง๋อค่ะถือโอกาสที่จะถวายเป็นพระสงฆ์พระเจ้าอยู่หัวด้วยไหมคะใช่เพราะว่าในทุก เ, เวลาค่ำเนี่ยก่อนที่เราจะไปแยกย้ายกันไปพักเนี่ยเราจะมีการถ่ายเมตตาค่ะซึ่งการถ่ายเมตตาแต่ละครั้งเนี่ยในทุกๆการหลีเกเลนที่เราจัดมาเนี่ยเราก็แผ่ เ, เมตตาให้แกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็พนพันนายเจะาพระรัมย์ราชนีนาแล้วก็พระบรมวงศารุวงอยู่แล้วผู้ที่ปกครองเป็นดินโดยธรรมแล้วก็เหล่าธรรมนิกราชาทุกพระองค์ที่ผ่านมาด้วยค่ะครั้งนี้มีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะเนี่ยคราวนี้ประมาณเจ็ดสิบคนถือว่ามากหรือน้อยคะนะคะก็น้อยกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วนี่เป็นช่วงปิดเทมอมอแต่ว่าเจ็ดสิบคนเนี่ยก็มากสําหรับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านๆมาเราจะมีประมาณห้าสิบ ประมาณตั้งนี้อืมตอนนี้ก็มีประมาณเจ็ดสิบคนที่ถามถึงจํานวนเนี่ยในส่วนตัวคิดเอาเองนะคะว่าอุดรก็จัดไว้อยู่ทางเนหนือเหนืออากาศเย็นๆอาจจะมีคนอยากไปปฏิบัติธรรมตอนอากาศเย็นมากขึ้นใช่ตอนนี้อากาศเย็นมากก็ประมาณตอนเช้านี่เจ็ดองศาเย็นเย็นจนไม่สบายหรือว่าเย็นกําลังสบายก็ได้ค่ ะ, คะเอ่าเย็นจนกระล า, <c oughs> างวันก็ร้อนมันก็จะมีอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยองดูดากลว่าเป็นวิเศษ เท่ากับว่าเมื่อปีนี้จบลงไปแล้วปีหน้าจะมีเปิดอีกไหมคะสำหรับการปฏิบัติธรรมที่นั่นปีสองห้าห้าสามเราก็จะจัดตุ๊กเดือนค่ะอจะมีอยู่แค่สองเดือนที่ที่ไม่มีเป็นช่วงที่ทำนาเป็นต้นอ๋อคือเอื้อเฟื้อกับชาวนาใช่เพราะว่าผู้ผู้หลิงเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวบ้านที่มาจากแถวนี้ก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาวบ้านแถวนี้เพราะนั้นเราก็เอื้อเฟื้อเขา นนเพราะว่าก็ต้องมีบุคคลบุคลากรที่มาช่วยทํางานในวัดด้วยค่ะไม่จะเป็นชาวบ้านแาวนี้เหมือนกันแล้วไม่รับคนไกลๆอย่างคนกรุงเทพเผื่อฟังอยู่แล้วอยากไปบ้างหรือคะ อ, อมีคนกรุงเทพมาจากกรุงเทพมาจากภาคใต้ภาคตะวันออกมีมาหมดเลยคือรับไม่จํากัดเพียง<อ>แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนแถวนั้นใช่แล้วแล้วปีสองสองพันสิบสาม เราแผนไว้แล้วว่าจะเปิดคอร์รสภาษาอังกฤษด้วย้วออ <laughs> นั้นเดี๋ยวขอไปเรียนภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องไปเข้าคอร์สนั้นน่าสนใจมากเลย2013ปีนี้กําลังจะหมดไปเนี่ยท่านผู้ฟังคะออถ้าใครไม่ค่อยชอบฝรั่งนะคะหมายถึงว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องฝรั่งฝรั่งเนี่ย เ, ออเขาเรียก ว, ว่าปี2009ค่ะ2013นี่นับเป็กี่ปีคะ2013ก็ไปอีก3ปีค่ ะ, คะนะคะท่านผู้ฟังถ้า คิดว่าท้าทายสําหรับการที่จะไปปฏิบัติธรรมภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ไอยูโอเคเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนตอนนี้เป็นแบบภาษาไทยไงถ้าถ้าอย่างคุณศศนีจะมาเข้าก็ข้อข้อศีได้ภาษาไทยแต่สําหรับเพราะว่าลูกหลวพ่อก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวฝรั่งและชาวฝรั่งเขาก็สนใจธรรมะเยอะค่ะที่เป็นแบบพุทธวจนะค่ะซึ่งที่เป็นแบบพุทธวจนะจริงๆโดยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่มีที่ไหนทำเหมือนกัน ขอจองไม่ได้เหรอคะอยากฟังภาษาฝรั่งที่เป็นพูทธ่วจนะได้ก็ต้องถนอมตัวเองไปกว่าจะไปถึงปี2 0 1 3ให้แข็งแรงอยู่นะคะจะได้มีโอกาสมีวาสนาไปปฏิบัติธรรม่าภาษาอังกฤษค่ะท่านอาจารย์คะคงจะต้องนำท่านกลับมาสู่การถามโลกตอบธรรมนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านได้ช่วยนำเอา ตถาคตภาสิทธิ์ที่เรากำลังแจกเป็นของขวัญปีใหม่108ร้อยแปดตถาคตภาสิทธิ์เนี่ยเอามาอาธิบายท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบถึง เ, เนื้อหาว่ามีความน่าสนใจอย่างไรที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้แล้วก็ได้รวบรวมเอาไว้ในแผ่นพับกระทัดรัดแต่มีถึงร้อยแปดคาถาแล้วก็สามารถนำเอาไปเป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้นะค ะ, ะวันนี้จะพูดถึงข้อเก้าสิบสาม เป็นเป็นเป็นคาถาที่พระเจ้าได้ตรัสแก่สามมดีพรหมหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยคิดว่าโอ้มันยากเลยเกินในการที่จะแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายท้าวสามมดีพรมก็เลยมาอาราธนานิมนต์พระเจ้าพระเจ้าเลยตรัสคาถานี้ออกมาหลังจากที่รับนิมนต์แล้วบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปงรงศรัทธาลงไปเถอด หลังจากที่ตรัสคานี้แล้วเนี่ยพระจะทราบมาดิพรหมก็คิดว่าโอ้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้ารับนิมนต์เราแล้วก็เลยกลับไปถามว่าคาถาแค่เนี้ยค่ะ า, าถาแค่เนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เหล่านั้นจงปงรงศรัทธาลงไปเถิดตรงนี้จะไปสอดคล้องกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเธอเห็นทุกเนี่ยไม่เห็นทุกแล้วจะเห็นธรรม ถามว่าเอ๊ะทาไมเราก็เห็นทุกอยู่ทุกวันทำไมเราไม่เห็นทำเสียทีไม่ออกอไหมค่ะนี่แหละเห็นกรรมค่ะเวลาเห็นทุกไม่คยเห็นทำใต้จันทร์คะต่เดี๋ยวขอประทานโทษเถอะค่ะในร้อยแปดตถาคตพาสิทธิ์ที่ที่ทนมีอยู่ในข้อเก้าสิบสามไม่ใช่เรื่องที่ท่านพูดนะคะเออตอนนีข้อเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดเจ็ดค่ะอ๋อค่ะค่ะงั้นในมลท่านต่อเลยค่ะอ่พระดิฉับอกว่าลงปรงศรฐานลงไปเถอดคนที่เห็นทุกเนี่ย แต่ไม่เห็นธรรมเนี่ยยังไม่เห็นธรรมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาโคดิจ่าบอกว่าเมื่อศรัทธาเนี่ยชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะศรัทธาที่ว่ามีทุกเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยคนเราถูกต้องความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เกิดศรัทธาได้เนี่ยถามว่าเราถูกต้องความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอ้ยทำไมไม่เห็นธรรมเพราะไม่มีศรัทธา ถามว่าทำไมเราไม่มีศรัทธาทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราว่ามีความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธามันมาได้อย่างไรค่ะอันนี้จะต้องไปดูข้อที่เจ็ดสิบสามเราต้องบวกกับเจ็ดสิบสามข้อเจ็ดสิบสามบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลมีสมมาทิฏฐิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญโดยเฉพาคนที่จะเห็นมีความทุกข์ จากความทุกจะเปลี่ยนเป็นศรัทธาได้ต้องมีสมาธิฏฐิค่ะข้อสีสิบสามบอกว่าเมื่อเธอมีสมาธิฏฐิแล้วกุศลธรรมจะเกิดขึ้นกุศลธรรมในที่นี้คืออะไรคือศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วจะมีอะไรเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะมีความปราโมทเมื่อมีความปราโมทก็จะมีความปีติเมื่อมีความปีติก็จะมีความสงบประงับเมื่อมีความสงบประงับก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็จะมีสมาธิคนที่มีสมาธิจะเห็นได้ตามที่เป็นสริง เมื่อเห็นได้ตามที่เป็นจริงความทุกข์ก็คลายลงเมื่อความทุกข์คลายลงก็ทื่ว่าเห็นธรรมเพราะฉะนั้นแค่สองคาถาเนี่ยข้อน97กับข้อ73เนี่ยเป็นประตูแห่งนิพพานอันเป็นธรรมตาเราเปิดไว้แล้วแก่สัตเหล่านั้นสัตวเราได้มีโสดประสาทสัตเหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดถามว่าจะมีศรัทธาทําได้อย่างไรนี่เมื่อเธอมีสัมมาทิฏฐิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น เมกุศลกรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญโดยยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากความทุกข์ให้เป็นศัตธาได้จะต้องมีสมัสสมมาทิฏฐิศรัทธาทิฏฐิของท่านหน้าตาเป็นยังไงคะสัมมาทิฏฐิเนี่ยการที่เธอเกิดสัมมาทิฏฐิได้ต้องอาศัยอะไรนะหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนหน้าตาก็คือสัมมาทิฏฐิที่ว่าการให้ทานมีผลการบูชาผิดผลพ่อแม่มีมมบิดามีมารดามีเทวดามี นะสัตว์พระพุทธเจ้ามีอันนี้คือสมาธิทิสมาธิทิอีกแบบหนึง่งก็คือว่าอทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นอย่างนี้อย่างนู้ในเรื่องออของภริษัทสี่ก็ได้ทีนี้ถามว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งเจอความทุกข์แล้วจะเกิดศรทัทธาต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีสมาธิทิก่อนแล้วจะมีสมาธิทิเนี่ยมันมาได้อย่างไง การที่จะมีสมาธิถิ่นเนี่ยพระเจ้าบอกเหตุปัจจัยไว้สองอย่างคืออย่างแรกเนี่ยต้องอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อจากคนเหล่าอือ่นการที่อเราพยมดนตรีและมาเนี่ยมาคอยบอกคอยสอนทาของพระผู้มีพระภาคคือการโฆษณาชวนเชื่อของชวเหล่าผู้รักแล้วอย่างที่สองที่เราจะต้องมีคือการโยนิโตมณสิการคือการทําในใจเราแยกขายใส่ตรองโดยรอบข้อว่าเอสิ่งที่กําลังฟังอยู่เนี่ย มันดีจริงหรือเปล่านำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมข้อดีข้อเสียคืออะไรการโยนี้สิโศมรัสิการพอฟังสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้พอมาคิดใคร่ครวนแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิที่ทพอเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วจะมีความศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วจะเกิดความดีใจเขาขึ้นมาในใจคือปีติพอเกิดปีติแล้วก็วจะเกิดความสงบประงับผู้มีกายสงบประงับแล้วเนี่ยิตย่อมสวยสุขผู้ที่มีความสุขเนี่ยจิตย่อมตั้งมั่น็นสมาธิ ความิตเป็นสมาธิแล้วความทุกข์ก็ดับความทุกข์ก็ดับก็ชื่อวา่วาเห็นธรรมค่ะเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมด้วยอาการอย่างนี้อ่านอาจาร์คะในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยทบทวนอีกสักครั้งได้ไหมคะ<ด>เพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวันนี้ไปเลยสําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังฟังสองประคาถาสําคัญนี้อยู่อะคะคร <c oughs> ัอพูดถึงเรื่องสองคาถานี้ก็คือว่า จุดเริ่มต้นก็คือจุดของเราของตัวเราเอง ค, ครับอยู่ที่ว่าความทุกข์ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันความทุกข์ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันอะไรครับไปรถติดอา่าเศรษฐกิจไม่ดีสังคมแตกแยกกันไม่เป็นไรเราเจอความทุกข์อยู่ในเบื้องหน้าเนี่ยเราจะดับความทุกข์นี้อย่างไรพรนะรุจ่าบอกว่าก็ถ้าเจอความทุกข์อยู่เนี่ยจะเห็นทำได้เนี่ย บุคคลที่จะมีความทุกข์แล้วจะสามารถเห็นธรรมได้ต้องมีศรัทธาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพระรูชาบอกว่าประตูแห่งนิพพานมันเป็นธรรมตาเราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตวเราได้มีสวดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปรงสรทธาลงไปเถิดทางที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยเริ่มจากศรัทธาก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นปากระตูนิพพานเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาเราเข้าไปมีศรัทธาถามว่าอยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีศรัทธาได้อย่างไร ศรัทธาเนี่ยอาตมามีความเข้าใจว่าอย่างนี้นะเข้าใจว่าเป็นความมั่นใจเป็นความมั่นใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงค่ะ <okay. S 1> ธรรมะที่บอกไว้สอนไว้เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้จริงๆมั่นใจมากแล้วมั่นใจอย่างที่สามคือว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยมาทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้เป็นคนดีอันนี้คือความมั่นใจที่สามคือมั่นใจในพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ ถามว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความศรัทธาเนี่ยจะมาอย่างไรต้องมีสมาธิค่ะสามาธิ анти. ทำไมมีสมาธิแล้วจะเกิดศรัทธาได้เพราะว่าเมื่อบุคคลมีสมาธิิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญต่อยิ่งค่คะนี่เพราะฉะนั้นพอมีสามาธิแล้วจะเกิดศรัทธาถามว่าแล้วจะมีสมาธิิเนี่ยมันจะทํามันจะมาได้อย่างไงสามาธิิเ รายการนี้อยู่นะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นบวกกับผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยผู้ฟังรายการอยู่ต้องทําการที่นิดพิจรนารณาโดยแยกคายใจ ต, ตรองโดยรับข้อว่าที่พูดอยู่เนี่ยเป็นคําพระเจ้าไหมพูดจริงไหมทาไปใช้งานได้ไหมเป็นประอย่างที่พูดหรือเปล่าลองไปพิสูจน์เมื่อทําการพิสูจน์ใคร่ครวญแล้วนะจะเกิดสมาธิติเมื่อเกิดสมาธิติแล้วความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะทําให้เราเกิดศรัทธาได้ ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางออกทางอื่นค่ะนะทางออกของปัญหานี้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองทางทางออกคืออะไรพอเรามีศรัท ธ, ธาแล้วเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปีติใน ค, ความยินดีพอใจความดีใจปีติก็จะเกิดความสงบประงับเมื่อเกิดความสงบประงับแล้วสิทธย่อมสวยสุขสิทิ์ของผู้มีสุขเนี่ยย่อมทั้งมันเป็นสมาธิเมื่อไปสมาธิแล้วเนี่ยจะจะรู้เห็นได้ตามที่เป็นจริง ก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นการพยายามอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนก่อนที่ท่านจะได้รับเอาร้อยแตถาคตภาสิทนี้ไปเป็นสคสอของปีสอ5 3อที่กำลังมาแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะเอาข้อ97บวกกับข้อ73เนี่ยไข่ครวนจนเห็นตามที่ท่านอาจารย์ไพบุญได้พยายามอธิบายไว้ไแล้วก็นำตัวเองไปสู่การปฏิบัติจนกระทั่งได้พบผลดังที่พระคถา ได้จำแนกแจกแจงเอาไว้นะคะวันนี้ก็นมัสการขอบคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโนไว้นะโอกาสนี้นะคะนมัสการค่ะได้เจริญถามโลกตอบธรรม้านฟังค้าและสำหรับร้อยแปดตถาคตพาสิทธ์ซึ่งพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโนได้รวบรวมมาสั้นๆแล้วก็ได้ เล่าให้ฟังในทุกๆวันนะคะว่าแต่ละคาถาเนื้อหาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเราจะแจกเป็นสอคสอให้กับท่านที่ได้เขียนจดหมายหรือว่าได้โทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข022690006และ022690060แจกให้พร้อมกับหนังสือที่ท่านอาจารย์คึกริธิ์สดทิพโลได้นำมามอบให้กับท่านฟังเป็นประจำก็คือหนังสือพุทธวัตรธรรมวินัยจากพุทธโอดนะคะ มาถึงการอ่านพุทธประวัติจากพระโอส์คือพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องของพระพุทธองค์เองโดยปากของพระองค์เองพระชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็มีหลายพระชาติมากตอนนี้ก็มาถึงพระชาติสําคัญที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็คือพระชาติเป็นพระเวสสันดรอาจจะยาวอยู่สักหน่อยคงต้องอ่านกันหลายวันค่อยๆทยอยอ่านค่ะเริ่มต้นที่ตรัสว่า กษัตริย์ใดไ ด, ได้เป็นมารดาของเรามีนามว่าพุสดสีกษัตริย์นั้นเป็นมเหสีของเท้าสักกะมาแล้วในอดีตชาติเท้าสักกะผู้จอมเทพทราบอายุไขของพระมะเหสีองค์นั้นแล้วได้ตรัสกับเธอว่าเจ้าผู้เลิศงามเราให้พรแก่เจ้าสิบประการตามแต่เจ้าจะเลือกเอาพระเทวีนั้นได้รำพันถามเท้าสักกะว่าหม่อมฉันมีความผิดอย่างใดหรือ no หอม่อมฉันเป็นที่เกลียดชังของพระองค์แล้วหรือ จึงถูกบังคับให้ละโลกอันน่ารื่นรมนี้ไปดูดพฤกษชาติที่ถูกลมพัดถอนขึ้นทั้งรากฉะนั้นท้าวสักกะผู้อันพระเทวีราพันเช่นนั้นแล้วได้ตรัสแกเธอว่าใช่ว่าเจ้าจะทําบาปอันใดลงไปก็หาไม่ได้ใช่ว่าเจ้าจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่ว่าอายุของเจ้ามีเพียงเท่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะจุดติดังนั้นเจ้าจงรับอภรรศิประการอันเราให้เถิด พระเทวีนั้นจุดติแล้วบังเกิดในตระกูลกษัตริย์นามว่าผุสดีได้สมรสกับพระราชาสัญชัยในนครเชตุตะดอนในการที่เราก้าวลงสู่พระคันธมารดาอันเป็นที่รักนั้นมารดาของเราได้เป็นผู้ยินดีในทานตลอดเวลาพระเดชของเราท่านได้ให้ทานแก่ยาจกผู้ไร้ทรัพย์อาดูลครวนคร่ำและแก่สมณะพราหมณ์อย่างไม่ยั้งมือ แม่เจ้าผุดสดีดำรงคันครบสิบเดือนกำลังเที่ยวประพาสทั่วนครได้ประสูตรเราณถนนแห่งชาวร้านเพราะกำเนิดที่ถนนแห่งชาวร้านนามของเราจึงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมารดาและบิดาได้ชื่อว่าเวสันดรแปลว่าระหว่างชาวร้านเมื่อเรายังเป็นทารกอายุแปดปีนั่งอยู่ในปราศาสตร์ก็รำพึงแต่จะให้ทานเราจะให้ทานหัวใจดวงตาเนื้อเลือด ร่างกายให้ปรากฏถ้าว่าจะมีผู้มาขอกับเราเมื่อเราลำพึงแน่ใจไม่วันไหวเช่นนั้นแผ่นดินได้ไหวภูเขาซิเนรุสันสะเทือนในวันอุโบสถกึ่งเดือนและปลายเดือนเราขึ้นสู่ช้างชื่อปัดเจรนาคไปให้ทานพวกพรามชาวแว่นแคว้นกาลิงเข้ามาหาเราและได้ขอช้างอันประเสริฐซึ่งสมมติกันว่าเป็นมงคล น, นั้นกับเราเขากล่าวกับเราว่าที่ชนบทของข้าพเจ้าฝนไม่มีตก เกิดทุกพิฆภัยอดอาหารยังใหญ่หลวงขอพระองค์จงประทานช้างอันบวรเป็นจอมช้างมีอวัยวะขาวหมดแก่ข้าพเจ้าเถิดเราตกลงใจว่าเราให้เราไม่มีวันไหวเราไม่หวงแหนปกปิดทานวัตถุที่เรามีเพราะใจของเรายินดีในทานการปฏิเสธตยาจกที่มาถึงเขาแล้วนั้นไม่ควรแก่เราเราอย่าทาลายการสมาทานของเราเสียเลยเราจะให้ช้างอันวิบูนบัดนี้ละ เราจับที่งวงช้างมือหนึ่งอีกมือหนึ่งหล่อน้ําในเต้าใส่มือพราหมให้ช้างแก่พราหมไปเมื่อเราให้ทานช้างเผือกสูงสุดนี้แผ่นดินได้วันไหวภูเขาสีเนรุสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราให้ช้างตัวนั้นชาวเมืองสีพีโกรธมากมาประชุมกันให้เนรเทศเราจากนาครไปอยู่เขาวงเมื่อชนพวกนั้นพา ก, กันกำเริบเราก็ยังมีความไม่วันไหวขอร้องกับเขาเพื่อได้ให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้ง ข้าีพีถูกขอร้องเข้าแล้วก็ยอมให้ท่านฟังคะ่ะในาพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรเราคงจะต้องมีวันอื่นที่จะอ่านให้ท่านฟังกันอีกติดตามกันในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ส่งให้ทานอย่างไม่มีที่ประมาณและเป็นผลนับเนื่องมาจนกระทั่งได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันยิ่งใหญ่ ฝากเอาไว้ให้กับพวกเรานั่นเองวันนี้หมดเวลาลงรายการสันสนีสนทนาขอนัดมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันสวัสดีค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนา